ถ้าเราหันมาศึกษาธรรมะแรกๆเลยนะคนรอบๆเขาเขาเห็นด้วยไหมโดยมากนะกเขาเห็นด้วยไหมที่เราได้มาศึกษาขอมุทิตาด้วยนะเวลาไปก็เออยินดีด้วยนะไปส่งใช่ไหมพอเรากลับจากทํากุศลก็อุ้งอนุโมทนาบุญด้วยเนะ้อเนี่ยนะมีมากไหมอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหายากมากเต็มทีครอบครัวใดที่ได้เป็นแบบนั้นนะมีบุญมากอ่นะให้รู้เธอว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลย นีนะหลายๆท่านนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมก็ถามอาจารย์เกต ด, ดูกันแล้วกันเหนไะก็จะรู้ว่าอันนีจ้จากภายนอกนะเขาไม่ถึงกับห้ามแต่เขาไม่มุทิตาด้วยนี่นะบางคนนี่ไม่ห้ามนะแต่ไม่มุทิตาแล้วบางคนละ่ะห้ามเลยนะยื่นคำขาดเลยยาเช่นะว่างั้นนะนะอันนี้นี่กับบางคนนะภายนอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวภายในมันเริ่มเอาเรื่องละ เดี๋ยวก็ปวดหัวบ้างเดี๋ยวก็ตัวร้อนบ้างเดี๋ยวก็เป็นไข้บ้างเดี๋ยวก็เป็นหวัดบ้างนอนไม่หลับบ้างเอาจนต้องเลิกศึกษานั่นแหละแต่ดีแต่หลายคนในที่นี้มาเชื่อบมือหรอกเพราะว่าขันติสูงมากอ น, นะอดทนงั้นคุณุายผ่านป่วยแล้วก็เจริญพุทธคุณได้ก็สอบผ่านไปขั้นหนึ่งแล้วอันนั้นก็ทีนี้ก็มันจะมีป่วยหนักกว่านี้อีกเพระาะฉะนั้นก็รอบสองอีกแล้นนะเพราะว่ามันไม่มีป่วยครั้งไหนเกินกว่าครั้งนี้อีกแล้วครั้งไหนคงรู้กันแล้วล่ะมันหมายถึงครั้งไหน อันนี้แหละที่เรียกว่าต้องขันติเป็นอย่างมากนะถ้าเลิกขันติเมื่อไหร่ตาบะแตกเมื่อไหร่ก็ก็กรุณาตัวเองได้เลยว่าเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะคือเราต้องยอมรับว่าอัธยาศัยที่เราบ่มมาไม่ใช่อัธยาศัยดีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อโลภัทธยาศัยอโทสัทธยาศัยอโมหัทยาศัยวิเวกัทยาศัยเนคขมัทธยาศัยนิสสารนัทธยาศัยไม่ได้อันนี้เลยใช่ไหมตรงกันข้ามโลพัทธยาศัยเราก็ไม่น้อย โทสัตยายาสายเราก็ไม่เบาโมหัทยาสัยเราก็เต็มเปี่ยมกามัตยาสัยก็ไม่บกพร่องนะวิเวกทายาสัยนี่ไม่เคยคิดจะต้องอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนะนะนิสรณัทยาสัยทําไมเราต้องออกด้วยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็อันนี้แหละที่อัตยาสัยสองอย่างมันมาตีกันเองเนี่ยนะนะก็ทั้งกุศลและอกุศลก็เป็นอุปนิสยปาปัจจัยไม่ใช่หรือใช่ไหม เพราะฉะนัว่าอุปนิสัยปัจจัยเราจะไปเก็บไว้ไหนถ้าจะเอาแต่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัธยาศัยที่ไม่ดีก็มาแทรกบ้างอัธยาศัยความไม่อดทนก็จะเข้ามาบ้างอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องอดทนละแต่ถ้าใครไม่อดทนคนนั้นจําต้องทนตลอดไปทําไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่อดทนที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนเราจะต้องทนทพิษภัยในวะะัะหาที่สุดไม่ได้นี่นะ ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาเราคิดหรือว่าเราจะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจจนสะอาดเยี่ยมไม่ทําชั่วกายวาจาใจรอพระศีริอานทําได้ขนาดนั้นหรือเอางั้นไหมไม่ใช่ว่าโหทาตราบาปไว้ตัวเองเต้ไปหมดเลยนะแล้วไปเจอพระศีริอานพระ อ, องค์ก็ไม่รู้จะโปรดเราตรงไหนอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราทําเลเอะไว้เกินไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ท่านจะช่วยเราได้ยังไง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 ท่านขอสมาทานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้นับถือในบุคคลที่ควรนับถือได้คบสัมมาทิฐิเป็นต้นอย่าตกอยู่ในอำนาจมิจฉาทิฏฐิเลยเนียเยท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนั้นทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลทั้งหลายไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของทิฐิทั้งหลายเราก็ต้องวนกลับไปหา ทิฏฐิอีกตามเดิมถ้าเข้าไปหาทิฏฐินั้นเนี่ยนะดีไม่ดีเราอาจจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ได้นะตั้งตนเป็นเดรถัถถีครูคนที่หนึ่งอย่างครูคนที่สองเพื่อที่จะตาหนิคัดค้านพระพุทธเจ้าก็ได้คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดใจที่จะไปทาบาปแบบนั้นแต่ถ า, ถามว่าถ้าได้ตัดใจล่ะเราจะเวน้นหรือถ้าสกายทิฏฐิยังมีอยู่จะกล่าวนะว่าทิฏฐิอื่นจะไม่เข้ามา ถ้ายังมีโทสะอยู่อย่ากล่าวนะว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้ายังมีโลภะอยู่จะคิดว่าจะไม่รักทรัพย์ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่อย่าคิดนะว่าจะไม่ทำโมหะขออภายัยจะไม่มีทิฏฐิเพราะฉะนั้นบาปอากุศลสารพัดชนิดก็จะตามเข้ามาประดังเข้ามาถ้ายังมีร่างกายคือขันห้าอันนี้คิดหรือว่าจะพ้นโรคมะเร็งคิดไหม ไม่พ้นเนี่ยนะก็ไม่พ้นหรอกถ้าอยู่นานๆ น, นะอยู่จนเป็นจนไดนนนะ้นั่นแหละเช่อ่ยนะถ้าอยู่ไปนานๆอยากคิดนะว่าจะไม่เป็นหวัดอยากคิดว่าจะไม่รู้จักป่วยจักไข้ถ้ายังมีขันท่าเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นโรคนะมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะเรียกว่าอันตรายเนี่ยสองกลุ่มอันตรายภายในกับภายนอกอันตรายเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดกับเปิดเผยอันตรายทางร่างกายนี่เราเห็นเห็นกันนะแต่อันตรายทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันตรายทางทิฏฐิ สัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นอันนี้จึงเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะซึ่งอันตรายเหล่านี้ทางศาสน า, าเราให้ความสําคัญมากเพราะขัดต่อหลักการเจริญศีลหลักการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะทุตจริตสามนี้ก็นับว่าอันตรายที่ทีทั้งหลายก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งที่เวลามันก็จํากัดเหมือนกันนะนว่าไปเรื่อ ย, ยวันนี้เลิกกี่ทุ่มดีอ่านะ มันต้องถามถามแถวเชียงใหม่ด้วยนะคุณคุณไหนดีคุณน้องคุณน้องกี่ทุ่มดีแล้วต้องคุยเรื่องเวลากันก่อนอ น, นะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ตลอดคืน <ตะ S 1> ยังรุ่งโอตลอดคืนย<ฮ>ังรุ่งโอ้เอาอยางงี้ก็แล้วกันนะของมาก็ว่าไปเรื่อยๆใครง่วงก็นอนก่อนใครอยากกลับบ้านก็ไปก่อนก็แล้วกันนะนะของมาก็จะว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาอยางงี้ไหมเอ า, อางี้ไมพวกกัน การไม่เอาด้วยเลยไม่ผมเคยได้ยินในพระไตรปิฎกอะสมัยโบราณท่านฟังตลอดรุ่งอะยังอาจารย์ตีบอกอยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นไปได้ยังไงว่าตอนที่ใกล้รุ่งจะมีใครฟังกี่คนใช่ไหมครอนตรรมานะใกล้รุ่งนะข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นเรียบร้อยแลย้วได้ยินบ่อยนะ ฟังทาตลอดคืนยังรุ่งใช่ไหมก็คงมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับความอดทนเนี่ยนะนับว่าสำคัญที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญกุศลทั้งหลายเนี่ยปัญหาและอุปสรรคไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะปัญหาอุปสรรคใไม่มีที่สิ้นสุดในบรรดาความอดทนทั้งหลายเนี่ยเราทั้งหลายไม่ได้เครื่องพระโพธิสัตว์ท่านรอก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 คือมีศรัทธาจะทําเหมางนั้นแต่จะข้ามจริงได้หรือไม่เรื่องหนึ่งละแต่ว่ากําลังใจมันแรงขนาดนั้นมีฉันท่าแรงขนาดนั้นหรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าใครที่เดินเท้าเปล่าเลยข้ามจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงได้คนนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนั้นก็บอกว่าฉันนี่แหละจะเดินเหมือนกันหรือเขาบอกว่าสองแขนแวกพงปราบไม้ไผ่ที่รกชัดไปด้วยน้ําเนี่ยนะ แหวกด้วยมือแหวกไปด้วยอกเนี่ยลุยไปอย่างนี้แหละต้อรู้ขาดจากกี่กระรุ่งกระริ่งก็ไม่รู้นะเขบอกว่าชั้นนี่แหละจะไปเขาบอกว่าคนที่มีฉั้นท่ขนาดนี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้เรียกว่ารู้เลยว่าจะต้องทนขนาดไหนจะต้องอดทนขนาดไหนแล้วเราทั้งหลายเนี่ยเราเราทนอะไรได้บ้างแล้วเพราะบําเพ็ญไตรสิขาเนี่ยนะแต่ก็หลายๆคนนะในที่นี้เนี่ยของธรรมาก็พูดให้กําลังใจคนที่ไม่ค่อยเพียร แต่ในห้องเราเนี่ยนะมีคนที่เพียรกว่าตามาตั้งหลายคน น, น, นะนะเชื่อจริงๆว่าเพียรมากกว่าตั้งหลายคนนะก็เห็นเห็นความภาคเพียรของเขาเนี่ยก็ทำให้เราดูเพียรขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนะนะแต่ว่ามีบางคนก็ยังไม่ค่อยเพียรเนี่ยนะโดยเฉพาะคนชื่อเพียร น, นะถ้าไปเพียรมากกว่า น, นี้หน่อยก็จะดีเยี่ยมพูดถีได้สองเลยพูดถึงเรื่องขันตีนะครับ ถ้าเกิด <c oughs> ขันตีนี่นะถ้าอดทนไม่ได้จะออกมาทางไหนก่อนรู้ไหมครับแน่นอนครับเ <c oughs> นยแน่นอนเลยครับท่างสังเกตดูนะครับเนไม่ว่าจะอดทนในทั้งภายนอกทั้งภายใ น, นครับจะออกล้นออกมาทางวาจาก่อนเลยถ้าใครสามารถมันยังคึก ๆ, ๆึกอยู่ในนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ยามันล้นออกมานะะจนกว่าจะไม่คึกนั่นีเรียกว่าขันติจริง ขันติประเภทที่มันไม่ล้นก็นับว่าเก่งเลยนะครับขันตินี้นะมันเดือดปุดๆนะแต่ว่าไม่ลั่ว อ, อมาเนี่ยนะนเรียกว่าออืระดับหนึ่งแล้วนะไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายนะแต่ถ้าระดับจริงๆแล้วนี่ขันติโดยที่ไม่เกิดโทสะเลยมีแต่เมตตานี่โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆใครที่มีขันติขนาดนั้นก็ควรแก่การเคารพใช่ไหมสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้น เนี่ยนะพระสงฆสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะจะเอาของหอมไปฉาบไหลภาษาริบุตรข้างขวาจะเอามีดพร้าอีกข้างหนึ่งไปถากข้างซ้ายภาษาริบุตรก็จะไม่โกรธเนี่ยนะภาษาริบุตรเป็นเช่นนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกโจนเนี่ยนะที่รับจ้างเดียร์ีมาฆะเนี่ยทุบจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเรียกว่าแหลกเข้าเข้าวสารหักเนี่ยนะ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 ผู้พระผู้มีประภาคเจ้าผู้เสด็จไปดีจริงๆสาวกทั้งหลายก็ที่ปฏิบัติดีจริงๆถึงเรายังทำอย่างนี้นอย่างนั้นไม่ได้เราก็เคารพผู้ที่ทำได้และก็หวังใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจดทำได้ น, นะก็ตั้งดังอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยที่ดีที่ควรตั้งนะคนที่เขาทำได้ไม่ใช่ว่าเขาทาได้ตั้งกระแรกเลยหรอกมาใช่ พระมหาโมคาน ะ, นะถ้าอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันธาเป็นต้นเนี่ยนะท่านคือพญามารดีๆนี่แหละนี น, นะท่านชื่อว่าอะไรนะทูสีมานอันนทูสีมานเป็นพญามารที่เป็นถ้าจําไม่ผิดนะเป็นลุงของพญามารทุกทุกวันเนี่ย น, นะนนเพราะว่าพญามารทุกวันนี่ยเป็นลูกของน้องสาวท่าน น, น, นะก็ น, นับว่าไม่เบาเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดความที่อัตตะสัมมาปนิทิท่านตั้งอัธยาศัยไว้เป็นอย่างดีเนี่ย ตอนหลังเนี่ยใครทุบท่านจนกระดูกเป็นแหลกเป็นข้าวสารหักท่านยังไม่โกรธเนี่ยนะท่านไม่คิดประทุสร้ายไม่ยังใจให้โกรธต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ในเบื้องต้นเราทั้งหลายก็ขอให้มีใจไว้ก่อนเถอะถ้ามีใจอย่างเดียวนะมันไม่ค่อยยากใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยไม่รู้จะช่วยกันตรงไหนไม่มีศรัทธาครับร้อนไปหน่อยก็โอ้ยหนาวไปหน่อยก็บนนีหิวไปหน่อยก็บนอะไรเงนี้นะครับเราสังเกตดูนะครับนีว่า ถ้าเราขันติจริงๆเนะียเราจะพูดน้อยลงไปเยอมันมพูดน้อยไปเยอะเนี่ยถ้าทางกายเนี่ยก็ปกติก็ต้องทนใช่ไหมถ้าทางวาจาทนได้ก็ดีเยี่ยมถ้าทนจนถึงอาจผู้สวิตตกไม่เกิดเลยนะั่นแหละสุดยอดของขันติแล้วนะแล้วยิ่งอดทนจนไม่มีวิตตกได้เลยยิ่งเยี่ยมใหญ่เนี่ยนะ ระดับธุติยาชานไปแล้วก็ไม่ต้องมีวิตกันแล้วเนี่ยนะก็เยี่ยมเลยนะอันนั้นเรียกว่าอดทนอย่างสูงขึ้นไปอดทนจนหลีกออกจากสังขารทั้งมวลชื่อว่าอดทนอย่างสูงสุดเนี่ยนะนนก็ฝึกฝึกเข้าไว้เธอเนี่ยนะในที่สุดจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเออขอแม้แต่เทวดาก็สรรเสริญใช่สรรเสริญผู้ที่มีขันติสรรเสริญอย่างเท้าสั ก, กะ จอมเทพตรัสว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อคนอ่อนแอสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันติของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมคนอ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำเนะเธอถ้าพูดแบบภาษาเนี่ง่ายๆว่าถ้าเจ้านายอดทนลูกน้องได้เนี่เยี่ยมแต่ถ้าลูกน้องอดทนเจ้านายอันนี้มันต้องอดทนอยู่แล้วโดยมันญาตโดยหน้าที่โดยความประพฤติเนี่ยนะแต่ถ้านายอดทนต่อลูกน้องต่อความผิดของลูกน้องได้ก็ ถือว่าเยี่ยมเนี่ย น, นะก็ือสมมติถ้าเราอดทนต่อลูกกับลูกอดทนต่อเราเนี่ยไหนเะยี่ยมกักนเราอดทนต่อลูกได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมกว่าเ น, น, นะนะกับเขาบอกว่าคนอ่อนแอนะยังไงก็จาต้องอดทนตลอดไปคือถ้าคนที่อยู่ในระดับล่างๆใช่ไหมมันจำต้องอดทนถ้าไม่อดทนเดี๋ยวเขากีดกันเราออกไปเดี๋ยวเขาปัดเราออกไปก็จำต้องทนเนี่ยนะ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 ก็ว่างั้น้าเมื่อก่อนนี้คงทำไม่ได้ว่าตอนนี้ทำได้กันก็ก็ขันติดเขาขึ้นเยอะเหมือนกันนะวันก่อนที่มารับก็เล่าให้ฟังก็แสดงว่าก็คือคือคนที่อยู่ระดับสูงแล้วอดทนได้เนี่ยนะเป็นคนที่ควรชมจริงๆแต่ถ้าอยู่ระดับล่างจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะก็เงียบอย่างเดียวกว่าคนอย่างเราอ่ะนะแล้วก็ต้องอดทนอยู่ตลอดตาอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเป็นนายแล้วอดทนได้เนี่ยนะสมมติว่าถ้าพลทหาร ถ้านในพลอดทนกับพลทหารได้เนี่ยก็ถือว่าชั้นเยี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าพลทหารมันจําต้องอดทนวันยังค่ำนั่นแหละแต่พอไม่อดทนเดี๋ยวก็เข้าคุกอี ก, กลำบากเองนะคือถ้าอดทนในฐานะที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยยากเนอะแต่ใครทําได้นะจะเกิดพิติมากเลยเนี่ยผู้การเคยมีประวัติไหมอดทนทั้งๆ ท, ท, ที่เราถูกแต่เราต้องอดทนมันก็ใกล้ตัวกันไปอยู่เป่าก็ไม่รู้เอาก็ก็อยู่ได้วยกันนี่ ไม่ใช่คือเอาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นบ้างนะก็เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวไปที่อื่นเดี๋ยวก็ว่าอา้าคนอื่นเนี่ยยกให้แต่จริงๆเนยะก็เอาจากปากเลยเพื่อต้องการคำยืนยันเหมนกันเ ค, เคยอดทนครับที่ทั้งที่เราไม่ผิดเนี่ยนะแต่ท่านอดทนได้โดยไม่โต้อตอบได้นี่นึกถึงทีไรก็เกิดเกิดพิติเลยนะ ว่าโอ้โหเราทำได้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยแต่ก็แต่จริงนะก็เท่าที่รู้จักนะผู้การเขาเป็นคนอดทนมากนะคันติสูงมากเลยนะเมื่อสองวันนี้ลูกน้องเขา เ, เขาเล่นไพ่เนยผมก็ เสือพวจโจกนะผมก็ขาดโทษบอกเออเขาให้ออกไปแต่ว่าอาจจะให้มันออกมาสักเดือนหนึ่งแล้วเขามาทําใหม่ใช่ไหม ว, ว่านี่เป็นตักเตือนแล้วหลายหนใช่ไหมและ อ, อ, อีกคนหนึ่งเขาเป็นเนี่ยเนี่ยเป็นแม่ครัวผมเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยนะะ <c oughs> <c oughs> เขาเห็นผมไม่ว่าอะไรเขาเลยเกาเห็นผมไม่ว่าอะไรเขาเลยก็ใช้ก็ธรรมดานี่นะ <c oughs> เขาอดทนทมไม่ได้แล้วเข้ามาหาผมว่าบอกผู้การด่าเขาหน่อยได้ไหม ผมมองน้าด่าอะไรก็บอกด่าเขาหน่อยเธอบอกถ้าด่าก็แล้วก็สบายใจเหมือนกันนะก็มีกันนี่ยเหมืลูกน้องมาสบายใจเลยลูกน้องมาขอร้องให้ด่าเลยแสดงว่านายนี่อดทนเยี่ยมมากเลยนะแต่ก็ขนาดนั้นก็นายก็โทรมานัดไม่ใช่น้อยก็อย่างนี้แหละสังคตวตามันก็เป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะก็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 ชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นความอดทนนั้นบางครั้งนี่จำเป็นอย่างยิ่งนะนะใครไม่เข้าใจประโยคน์ค่ะตอนนี้เ่าจีประโยค์คะวิบัติเนี่ยัถามคุณอีดูเป็นยังไง <laughs> ทีนี้มาดูต่อไปอีกนะว่า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 แล้วก็เดินบินทบาตไปเรื่อยชาวบ้านนี่ก็เตรียมและถือไม้ถือตะบองเตรียมจะซัดในตะพราหมคนนี้แล้วนะเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าจะทําอะไรกันบอกก็จะตีตะพราหมคนนั้นอ่ะที่ไปทุบท่านอ่ะเขาตีท่านหรือนะพระสารีบุตรก็ถามว่าเขาไปตีพวกท่านหรือเปล่าบอกเปล่าก็ตีอ่ะงั้นก็ตีใครตีท่านบอกเอตอตะมาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนไปทาไมเนี่นะ มันก็ตาพรามนั้นก็เลยกลายมานับถือภาษารีบุตรนิมนต์ไปฉันเนี่ยนะก็ยังตอนหลังก็หันมานับถือาศาสนาเนี่ยนะมันภาษารีบุตรจริงๆอะท่านอดทนขนาดนั้นแต่ของอนามานี่ลองไม่ค็ยได้จะ <c oughs> <c oughs> ไปเล่าว่าเออเนี่ยนึกว่าท่านเป็นเหมือนในคัมภีร์บา้าคนละอย่างเนอะ <c oughs>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 ถึงก็ยกเรียกว่าโอวาปาติโมก็ยกย่องในขันติใช่มว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเนี่ยนะก็ขันตินี่ก็อดทนไว้นะใจเอยอดทนเธอเนี่ยนะก็จริงๆเราน่าจะคุยกับใจเราบ้างนะเป็นครั้งคราวนะั่นนะอันนจะเดือดร้อนไปทำไมรู้จักอดทนสะบ้างสิเนี่ยนะก็คุยกับเขาดีๆนะบางทีเขาก็เอาด้วยนะ ทีนี้มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะโสวัจจสตาว่าง่ายสอนง่ายเมื่อถูกเพื่อนสะพรมจารีว่ากล่าวโดยธรรมก็ไม่ถึงความฟุง้งซ่านความนิ่งงนันหรือคิดถึงคุณและโทษวางความเอื้อเฟื้อความเคารพและความมีใจตกลงเป็นเบื้องต่ําเป็นเบื้องหน้าอย่างยิ่งแล้วเป่งถ้อยคําว่าสาธุดีละครับเหมือนกนดังนี้ชื่อว่าโสวัจจสตารความว่าง่าย เรียกว่าจับแต่เอาแต่เนื้อหาที่เขาแนะนำเราว่าเขาแนะนำอะไรเรามันคำที่เขาแนะนำเราเราก็รับด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเขาที่เขาเตือนเราเนี่ยนะก็ขอบคุณเขาที่เขาเตือนเราถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายบางคนเนี่ยนะขอร้องจังเลยให้คนอื่นเขาตักเตือนตนแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติแทงคนที่ควรตักเตือน บางทีเขายังไม่ได้เตือนอะไรทางนี้โวยวายไปเสียแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงประวรณาให้คนอื่นตักเตือนก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความประพฤติเรียกว่าขอบคุณคนที่ตักเตือนเราเนี่ยนะคนประเภทนี้จะได้รับคำตักเตือนอย่างบ่อยๆเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยแก้ตัวพลวันแก้ตัวอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่ฉนั้นลักษณะของผู้ที่รับโอวาทโดยดีก็อย่างใคร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 ท่านไม่ไม่โต้อตอบสักคำว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวทั้งทั้งที่เป็นกรกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปเนี่ยนะนี่ของเราเนี่ยนะโอยเราต้องดำรงอยู่ในความจริงเราต้องเปิดเผยความจริงว่าเราไม่ผิดอย่างเงี้ยมาอ่านนะคนโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม <S <S ต้องอยู่ในความจริงเพราะเรามันไม่ผิดเท่านั้นก็เลยวยวยวายใหญ่โตโทสักํำเริบ คเรียบาคำเรียบเอาเนี่ยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าไม่ว่าง่ายเนี่นะในบางกรณีเนี่ยนะถ้าเราเรื่องนั้นมันไม่เสียหายเนี่ยนะถึงเขาจะว่าเราผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ต้องไปป่วยไปไข้ตามคําของเขาหรอกเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้ผิดคือไม่ได้สร้างความเสียหายด้านอื่นๆให้นะถึงเรียกว่าไม่ถึงก็ต้องไปเสียเงินเสียทองไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะถ้าคนอื่นเขาว่าเราผิดแล้วเราก็ทนทนฟังไปก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะก็น่าคิดนะว่า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 ฉันคือคนถูกต้องเที่ยวประกาศในสาธารณชนเนี่ยนะถามว่าภาพนั้นงามหรือไม่งามเนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นทําให้เราดูอะนะเหมือนอย่างที่เราทำเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะรู้จักอดทนออยอมรับในอย่างนี้ได้เนี่ยนะว่าถึงคนอื่นเขาตำหนิเราบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยนะอันนี้ก็นะับว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ย จะได้รับโอวาทอนุสาสนีจากเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายคนอื่นเขาก็จะกล้าตักเตือนเราเมื่อคนอื่นกล้าตักเตือนเราไอ้สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ก็เราก็จักละสิ่งใดที่มีประโยชน์เราก็จักเจริญก็จักบาเพ็ญทัานการได้รับโอวาทตักเตือนจากเพื่อนสะพรมจารทั้งหลายนนะท่านท่านให้ความสําคัญมากนีนะนะท่านถือว่าการตักเตือนจาก ผู้มีคุณทั้งหลายประดุดชี้ขุมรับเนี่ยนะชี้ขุมทรัพย์เลยแหละยิ่งคนที่ตักเตือนเราเป็นบัณฑิตเป็นคนที่คิดมากใครครวญมากพิจารณาโดยรอบครอบคำตักเตือนของเขานั้นมีค่ามีค่าจริงๆมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเพราะว่าควรค่าแก่อมะตะเนี่ยนะควรค่าแก่ความไม่ตายนั้นคําตักเตือนโอวาทอนุศาสนีจากผู้มีคุณนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นเยี่ยมเนี่ยนะ มันความว่าง่ายเนี่ยนะก็นับว่าสําคัญมากะนะถ้าพูดถึงความเป็นผู้ว่าง่ายนะผู้การเขาก็มีอีกอะนะอยู่ด้วยกันสองคนก็ชมกั น, กนแล้วกัน <c oughs> คือเขาก็ว่าง่ายนะสมมุติถ้าเป็นหนังสือของผู้การนะที่เขาเรียบเรียงขึ้นนะคนอื่นเขาเขาว่าผิดนะเออนั่นมันผิดอย่างนั้นอย่างนั้นครับครับเดี๋ยวจะไปแก้ครับขอบคุณครับเนี่ยนะเขก็อัธยาศัยอันนี้ก็นับว่ามีมากอะนะ นะว่าก็ก็ดีเยี่ยมนะให้แก้ก็แก้ไป้าถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งนั้นถูกต้องะนะซึ่งถ้าโดยลำพังทั่วๆไปแล้วผู้การเขามีเอ่อเรียกว่าปิยรูปสาตรูปเป็นที่ตั้งแห่งมานะจำนวนไม่ใช่น้อยใช่แต่ก็ไม่ค่อยจะมีมานะเนี่ยนะก็มาคุยกับรุ่นรุ่นปูนลูกปูนหลานซะไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ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 มันโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วยากที่จะฟังคำแนะนำและตักเตือนอันนี้โดยมากจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็จริงหรือเปล่าพวกกันใส่เสื้อชักเหลือกัทุกทีนะครับผมนั่นหก็คงพักกันสักนิดหนึ่งสัก่อนเนี่ยนะนี่ก็ช่วโมงครึ่งแล้วนะพักสัหน่อยก่อนแล้วค่อยต่ออีกนะเอาจนจบนะครับ เ, เอาจนจบอ่ะนะคงไม่เลิกลาแล้ว